สัมปัจจัญญาดีขึ้นเมื่อสมาธิถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอเกิดความรู้สึกมีความคิดขึ้นมาเท่านั้นจิตสามารถเกิดภูมิความรู้เกิดปัญญารู้อะไรแปลกๆขึ้นมาความรู้พังตูออกมาจนไม่สามารถที่จะกาหนดตามทันความรู้ได้ก็มี ทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ข้าสติกับจิตมันตามทันกันตามทันความรู้ที่เกิดขึ้นมานภายในจิตมันก็กลายเป็นภูมิีิปัตินาภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตการอธิบายนี้การใช้คําพูดอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะกระท่อนกระแท่นหรือบางทีก็อาจจะสับสน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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุโทโธนี่มีผู้กล่าวนักษาว่าภาวนาพุโทโธอย่างดีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานเพียงใค่ที่จะขอร้องให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้ช่วยที่สูดข้อเท็จจริงถ้ามันโล่แจ้งเห็นจริงประจักษ์ว่าบริกรรมภาวนาเนี่ยจิตมันจะเป็นเพียงแค่ขั้นสมถกรร ม, ฐ า, มฐานเท่านั้นดี แต่อัตมาขอให้ในเอาไว้ว่านัก บ, บริกรมรมภาวนาทั้งหลายถ้าหากเราจะพากันโง่หมดทุกคนบริกรมรมภาวนาแล้วจิตมันก็เป็นเพียงแค่สมถะกรรมฐานเท่านั้นก็ในหลักวิชาการท่านกว่าอนุมณ์จิตจิตเป็นอารมณ์ของสมถะกรรมถานในเมื่อเมื่อเรามาบริกรมรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือคําว่าพุโทโธพุธโทโธเป็นต้น มันก็เป็นการปฏิบัติตามอารมณ์ของสมถะสมฐานไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันพิสูจน์ดูว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างเท่าที่มีในคำพีในตำหลัดตำลาา น, นในเมื่อเราทำอย่างจริงจังลงไปแล้วจิตของเราจะเป็นเพียงแค่สมถะสมถานเท่านั้นหรือ จะไม่มีโอกาสที่จะก้าขึ้นสู่ภูมวิปัสสนากรรมฐานได้เองหรืออย่างไรอาตมาอยากจะขอให้ช่วยให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาในตอนนี้ถ้าหากต่างว่าหลายๆท่านช่วยกันพิสูจช่วยกันพิจรรารณาช่วยกันค้นฟ้าหาหลักความเป็นจริงโดยธรรมชาติโดยสลัดความยึดถือในตำรับตำราออกไปเสีย เอาแต่ความจริงซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนานั้นมาเทียบเคียงกันมาเปรียบเทียบกันมาวัดกันดูว่ามันจะสามารถเป็นวิปัสสนาไปได้หรือไม่เพื่อเราจะได้หายข้อสงสัยหายแฟงใจหายขัดแจ้งซึ่งกันและกันอาสมาขอให้คติไว้พิจารณาอย่างหนึ่งว่าบรรดานักปฏิบัติทั้งหลาย ที่เรายังมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่เพราะว่าหนึ่งต่างฝ่ายต่างไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดแย้งกันสองฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจริงก็เป็นเหตุให้ขัดแย้งกันแต่ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างรู้ต่างเห็นต่างเป็นด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดยเอาความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตอย่างจริง จ, ง จ, งจังมาเปรียบเทียบกันเราจะไม่เกิดขัดแย้งกันในเรื่องการปฏิบัติหรือความรู้ความเห็นในภูมิปฏิบัติเลยเช่นพระ อ, ร ห, อรหันต์อรหันต์ทั้งหลายไม่เคยเถียงกันเ ร, เรื่องการปฏิบัติในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไม่มีมีแต่ปุตโชนเท่านั้นเขาเถียงกันแต่พระ อ, ร ห, อรหันต์อรหันต์ไม่เถียงกัน อันนี้ขอฝากปัรดาท่านทั้งหลายไปพิจารณาเอาหละท่านกล่าวธรรมะพอเป็นคติเตือนใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาตอบปัญหาวันนี้รู้สึกว่าปัญหาที่ท่านถามมามากเลยเกินแต่ไม่ทราบว่าจะตอบไปหรือเปล่า <c oughs> ปัญหาข้อแรกนี่ขอตอบปัญหาข้อแรกอ่าที่มีคําถามว่านิพพานังปรามังสุขังหมายความว่าอย่างไรต่างกับนิพพานังปรามังสุลย่างอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาเป็นปัญหาที่เลกขึ้นมาแล้วก็ถาม <c oughs> นิพพานังปรมังสุขขังเป็นภาษาบาลีเมื่อตอบออกมาก็คือว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสญอย่างพระนิพพานแปลว่าพระนิพพานเป็นคาว่างอย่างยิ่ง หรือศูนย์อย่างยิ่งความาาหมายของคำพู ก, ก็ต่างกันอยู่แล้วอันนึงหมายถึงความสุขอันหนึ่งหมายถึงความศู น, น, ค, นคือศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเท <c oughs> นี้ปัญหาที่น่าจะสงสัยก็หยุดตรงที่ว่าเนพานังประมังศูนย์อย่างเราเข้าใจว่าพระนิพพานนี่ศูนย์ เพราะว่าอันนี้ภาละก็แปลว่าดับเพิ่งทำความเข้าใจว่าคำว่าดับนี่เป็นอาการดับของกิเลสกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาดับหมดแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่การดับนั้นอาตมาได้ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาในการมาเทศคราวก่อน ว่าสิ่งที่เหนือการดับนั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเราไว้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่ตมาก็เลยขอฝากท่านผู้ฟังไว้ให้ช่วยกันพิจรารณาได้คำถามด้วยว่านิพานังประมังสุขรังพระนิพานสุขอย่างยิ่งกับนิพานังประมังสุญอย่างพระนิพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่ง อันนี้ความแปลคำแปลก็มีความหมายสอความต่างกันอยู่แล้วอันหนึ่งหมายถึงความสุขอันหนึ่งหมายถึงความสูญคือสู์เปล่าคือมันสู์สู์จากกิเลสตัณหามานาทิฏฐินั่นเองความสูญจากสันกิเลสตัณหามานาทิฏฐิก็หมายถึงว่าความดับดับกิเลสที่ี้เมื่อกิเลสดับแล้วสิ่งที่อยู่เหนือการดับกิเลสนั่นคืออะไร อันนี้ขอฝากไว้ให้นักธรรมะทั้งหลายช่วยพิจารณาขออธิบายเรื่องของชานต่างๆโดยละเอียดเรื่องของชานนี้จะขอพูดเฉพาะชานที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่ซึ่งเป็นชานที่รักภูมิเจตของรักปฏิบัติจะต้องผ่าน แด้จะต้องศึกษาให้รู้ให้มีความเข้าใจบ้างพอสมควรทานอันเป็นปฐมบาทแห่งวิปัสนามีอยู่สี่ขั้นเดี๋ยว่าปฐมมาทานผู้ติยชานปติยานจะตุทะทานแปลออกาเป็นภาษาไทยว่าทานที่หนึ่งที่สองที่สามแหละที่สี่ทานที่หนึ่งมีวิตกในกถึงอารมณ์มีวิจารจิตกับอารมณ์ แนบสน็ดกันจนเกิดความสุมทรเกิดปีติแล้วก็มีความสุขในเมนจิตของผู้นำเนินชานีปีติและความสุขเป็นเครื่องเหล่าเลี่ยงจิตจิตก็ไม่กระวนกระวายบายหน้าเข้าไปสู่ความสงบแล้วก็มีวิโสวิจารปีติสุขเอกัขตาอยู่กลอมอันนี้เป็นฌานขั้นที่หนึง่ง ทานขั้นที่สองปล่อยวิศกวิจารณ์ยังเหลือแต่ปีติสุขเอกคตาทานขั้นที่สามปล่อยปีติคือวางปีติยังเหลือแต่สุขกับเอกคตาทานขั้นที่สี่โศกหายไปยังเหลือแต่เอกคตาคือความเป็นหนึ่งกับอุเบขาคือความวางเจยของจิตที่ในจิตของขัน้นผู้ที่อยู่ในขั้นขั้นที่สี่เนี่ย เป็นคำตอบของปัญหาข้อหนึ่งที่ว่าจิตอัปปนาสมาธิคืออะไรเป็นอย่างไรเจตของผู้ที่อยู่ในฌานขั้นที่สี่นี่คือเจตของผู้อยู่ในอัปปนาสมาธินั่นเองลักษณะของเจตอยู่ในอัปปนาสมาธิกับฌานขั้นที่สี่ผู้ภาวนาจะปรากฏว่ามีความรู้สึกในจิตมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวยอยู่กายไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในความรู้สึก อันนี้จิตคือในฌานขั้นที่สี่ปัญหาในว่านิมิตนิมิตกับความรู้แจ้งเห็นจริงต่างกันอย่างไรนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าผู้บริกรรมภาวนาพุโทโธจิตจติดอยู่กับพุโทโธจวจนเหนียวแน่นเรียกว่าจิตเอาพุโทโธเป็นนิมิตเรียกว่าบริบรกรรมมามิตทีนี้นิมิต ตามความเข้าใจของผู้ถามนี่ <c oughs> เข้าใจว่าคงจะหมายถึงในเมตที่เราบริกรรมภาวนาหรือภาวนาอันใดก็าตามในเมื่อจิตมีลักษณะเคริ้มเคลิม้ลมลงไปแล้วกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นในความรู้สึกจะเป็นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพอะไรก็แล้วแต่อันนี้มา อ, อั น, นอันนี้เรียวกว่าในเมต ที่นส่วนความรู้แจ้งนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงอย่าเข้าใจว่าจิตสงบลงแล้วมีแสงสว่างเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงขอให้กําหนดเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีสมมติว่าท่านมีความสงสัยอยู่ว่าสมาธิคืออะไรและสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไร ในเมื่อท่านสามารถทาจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิได้แล้วท่านก็รู้เสว่าจิตของท่านสงบนิ่งเป็นสมาธิแต่องค์ประกอบของความที่จิตเป็นสมาธิอย่างแท้แท้จริงนั้นจิตจะต้องนิ่งแล้วมีความสว่างเป็นเครื่องหมายีนเมื่อจิตของท่านสงบนิ่งลงไปแล้วท่านก็เห็นจริงว่า สมาธิคืออะไรในจิตเป็นสมาธิคืออะไรอันนี้ระยกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วก็รู้แจ้งว่าสมาธิคืออย่างนี้เกี่ยกวกับความรู้แจ้งเี็นจริงกําหนดเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเอ่อข้อแตกต่างระหว่างสมาธิ ก, กับวิปัสสนาอันได้แก่องคภาวนาเช่นพุทโธ คองล้อยบหนอที่เข้าใจว่าเป็นโนทาง อ, าอะไรพระอา จ, จถารทาาจารย์สั่งสอนมาทำไมจึงไม่นำพุทธพจน์นั้นมาเป็นองค์ภาวนาบ้างเช่นนาฏสันติประมังสุ ข, ขังนิพานังปรมังสุนอย่างเป็นต้นอันนี้มีความสงสัยเรื่องสมถะ ก, กับวิปัสสนา อันได้แก่องค์ภาวนาเช่นพุโทโธยุบหนอะพองหนอเป็นต้นพุโทโธก็ดียบเนาพองหนอก็อดีทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานต า, า, ามหลักสูตรทีนี้ผู้มาภาวนาพุโทโธพุโทโธก็ดียุบหนอะพองเนอก็อดีเป็นการปรับปรุงจิตในขั้นที่ขั้นสมถะ การนึกอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวก็ให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเป็นปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติเป็นความตั้งใจที่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิตั้งแต่อุปจาระจนกระทั่งถึ ง, ถงอัปนาสมาธิในขั้นนี้เท่าก่าจิตเดินอยู่ในขั้นสมาธะ ในความที่จิตสงบนิ่งลงเป็นสมถะจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าสมถะเจตโลว่าสมาธิเป็นอย่างไรหรือรู้ว่านี่คือสมาธิเป็นความเห็นแจ้งหายสงสัยู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยในเรื่องสมาธิอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเข้าใจเอาอย่างง่ายๆดี เอกปัญหาในการกำหนดจิตจำเป็นต้องกำหนดให้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือไม่การกำหนดจิตเราไม่ความจำเป็นจะต้องกำหนดให้อยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอย่างการกำหนดต้นลมหายใจป้อมกับพดเข้าโทออก ลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทีนี้การกำหนดจิตเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่ยถ้าหากสมมติว่าเรากาหนดภาวนาคาใดคําหนึ่งโดยไม่กําหนดหมายส่วนใดส่วนหนึ่งอ้าวที่ใดที่หนึ่งภายในกายเช่นลมหายใจเป็นต้นเมื่อใจสงบลงไปแล้วพอจิตเนี่ยการเคร ล, ลิ้มสงบสว่างลงไป แล้วเราไม่มีที่กำหนดหมายภปในภายในกายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วกระแสจิตมักจะส่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเห็นนิมิตต่างๆเช่นภาพคนสัตว์หรือเทวดาบางทีอาจจะหลงไปเที่ยวนรกสวรรค์ดูก็ได้ทีนี้ถ้าหากเรากำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งภายในร่างกายเช่นจะกำหนดโลกลงที่ลมหายใจ ในที่นี้ขอแนะนําให้กําหนดโูดลงที่ลมหายใจเป็นส่วนสําคัญยิ่งเพราะลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานที่ไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐานถ้าจิตทรงใดภาวนาแล้วกําหนดโูดลงที่ลงที่ลมหายใจมเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยคําภาวนาแล้วจิตจะยึดเอารมหายใจเป็นสื่อนําจิตเข้าไปสู่ความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไป เมื่อใจสงบละเอียดยิ่งลงไปแล้วในขณะที่กายยังปราบกดอยู่จิตจะวิ่งเข้าไปลู่ภายในกายได้ดีในบางครั้งจิตอาจจะไปสงบนิ่งอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วก็ส่งกระแสส่องทะลุกออกมาข้างรอกทําให้ผู้ภาวนานั้นเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ง่ายขึ้นในแง่อสุภาษกรรมฐาน จะทราบได้อย่างไรว่าทำสมาธิถึงขั้นอัปปนาแล้วอันนี้ได้ตอบแล้วว่าสมาธิขั้นอัปปนาเรียกว่าสมถธาวิธีสังเกตก็คือว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วนี่วรห้าหายไปหมดการฉันทะพยาบาทเทนะมิทะอุทะจักขุกจักวิขีกิจชาความลังเลหายไปหมดยังเหลือตจจิตนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียว อันนี้เรียกว่ า, าจิตถึงอัปปนาสมาธิแล้วหรือเรียกว่าขั้นสมถเ <c oughs> มื่อพบว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่สัมนาาแก้ไขก็จะมีทําให้อะไร อันนี้เป็นอั้นว่าเอ่อเมื่อเห็นไอ้ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับไอ้เรื่องเอ่อมติและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตรงกันคือหมายความว่าในเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่สัมมาาจะแก้ไขอย่างไรปัญหาข้อนี้ มีความประสงค์อยากจะให้สัมมนาหมายถึงการประชุมปรึกษาห า, หาหรือแล้วทำความเห็นให้ถูกต้องตรงกันอันนี้เอาไว้เป็นภาระหน้าที่ของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าหากว่าพวกเราจะสัมมนากันเองก็สัมมนาได้คือสัมมนาที่ตัวของเราเองใครจะมีความเห็นถูกต้องหรือผิดแผกแตกต่างอย่างไรก็ตามเราไม่ ไปคิดที่จะแก้ไขเรื่องภายนอกเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาภายในใจของเราคือการปฏิบัติธรรมนั้นเราพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าธรรมะอันใดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วทําให้จิตใจมีความสงบสว่างเยือกเย็นทําให้เราหมดทิฏฐิบาณนะหมดกิเลสหมดความถือตนถือตัวสามารถที่จะปรับปรุงตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมในความเห็นแต่ คนวองการปฏิบัตินั่นเป็นการถูกต้อง <c oughs> เอ่อปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องอดีตการหมายถึงปทเพลงนิวาสานุสติยาน <c oughs> ถามว่าความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่ออันนี้เพิง่งขอให้ข้าศึเตือนเอาไว้ว่าเรื่องปทเพลงนิวาสานุสติยานนี่ <c oughs> ในโปรดกรุรณาระมัดระวังและก็อย่าเพิ่งไปเชื่อส่วนมากปุเพนวาสารุษติยา น, นี่บางทีมันมันโกหกเพื่อมันแก้กันได้ซึ่งบางครั้งท่านพูดเคยไปที่วัดป่าสระวันเคยยกตัวอย่างเล่าตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเพราะฉะนั้นความเห็นแลอความรู้ในเรื่องอดีตชาติเนี่ยเอาไวร้รู้ๆแล้วก็พิจารณาให้มันถี่ท้วน ความรู้อันใดที่เรายังมีความสงสัยข้องใจอยู่พึงสนิษฐานเถิดว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่แน่และยังไม่จริงเท่าที่ควรความรู้แจ้งเห็นจริงจ ะ, จ, ะจะต้องทำให้ผู้รู้หายสงสัยปัญหาข้อนี้การฝึกนั่งสมาธิโดยการนั่งขาฝาทับขาไสา้มือฝาทับมือไส้ นั่งอยู่ประมาณสินาทีเกิดอาการชาที่เท้าทั้งสองข้างควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้ถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถได้การทำสมาธินี้เป็นกิริยาของใจการนั่งยืนเดินนอนอันนั้นเป็นค่าแสดงประกอบเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเป็นการบริหารร่างกายเปลี่ยบเหมือนนักศึกษานักเรียนหรือข้าราชการที่ท่านมีการเล่นกีฬา เป็นการออกกำลังกายทีนี้กีฬาของผู้ปฏิบัตินั่นก็มีการเดินจงกรมการยืนการนั่งสมาธิการนอนการเปลี่ยนอินญาบทหากนั่งอยู่ประมาณสิบนาทีมันปวดแข้งปวดขาชาเหน็บชินจนทนไม่ไหวก็พลิกได้เปลี่ยนได้เพราะการทําสมาธิเป็นกิริยาของใจให้ถือเอาเรื่องของใจเป็นใหญ่ใจกําหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจรารณาธรรมอยู่ แม้เราจะอยู่ในท่าไหนก็ก็ทำได้ทั้งนั้นเอ่อปัญหาอีกข้อหนึ่งเอ่อันนี้เป็นปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับการที่จะไปพักผ่อนํำเพ็ญภาวนาโดยเฉพาอย่างยิ่งคือวัดศาสลวันขอภาวนาต่อที่ปรชุมนี้ว่า เ่อว่าท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะไปพักก่อนบําเพ็ญภาวนาเพื่อจะไปดูป่าธรรมชาติซึ่งยังเหลืออยู่แห่งเดียวในบริเวณนครราชสีมาแต่มีพภาวนาอยู่ที่นั่นจะไปกี่วันกี่คืนเป็นเดือนก็ได้จะบอกกล่วงหน้าหรือไม่บอกกล่วงหน้าก็ไม่เป็นไรเรามีที่พักพอที่จะให้พึ่งพาอาศัยได้ <c oughs> อการกำลุดยุบหนอพองหนอความเปียงการกาลุดยุบหนอพองหนอนั้นเป็นอาเป็นการกา ล, ลุดรูอาการของลมในมหายใจเข้าไปสูดลมเข้าไปทําให้ท้องมันพองเวลาปล่อยลมออกทําให้ท้องมันยุบก็เป็นอาการเข้าออกของลมทีนี้ในเมื่อเจตสงบลงไปบ้างแล้วเจตก็ไปรู้อยู่ที่ลมหายใจการทําอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นการไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่เป็นความว้าวุ่นหรือว่าเป็นความยุ่งเหยิงในการปฏิบัติโดยธรรมชาติแล้วณนะบริกรรมภาวนาเนี้ยถ้ามืจิตสงบลงไปแล้วถ้าจิตดวงใดวิ่งเข้าหาลมหายใจเข้าออกเข้าออกเป็นดวงจิตที่ค่อนข้างจะเดินทางที่ถูกต้องเพราะการที่จิตลูลลมหายใจนั้นคือการเจริญกายยะกตาสติ เพราะลมเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกายขั้ทนที่สองของปัญหานี้เมื่อทำจิตให้รวมลงไปแล้วมาตามรู้ความคิดการทำเช่นนี้เป็นการถูกต้องถ้าหาก เมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปพอที่จะคุมจิตให้รู้อยู่ในเรื่องเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปสู่เรื่องอื่นได้เมื่อความคิดเกิดขึ้นมาเราตามรู้ความคิดนั้นหรือตามรู้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นในจิตนั้นเรื่อยไปอันนี้เป็นการใช้ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นจังหวะในขณะที่เราไม่สามารถจะควบคุมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ เมื่อจิตมันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่เราทำสติตามรู้ความคิดนั้นในเมื่อตามรู้ความคิดไปแล้วถ้าจิตมันจะหยุดนิ่งเข้าไปสู่ความสงบปล่อยให้มันสงบอย่าไปฝืนมันในเมื่อถอนจากความสงบแล้วมันอยากมีความรู้เกิดขึ้นเรื่อยไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝืนมันหน้าที่ของเราเมแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นอาการของจิตที่มันต้องการสงบเราไปฝืนมันจะมันจะไม่ค่อยดีต้องปล่อยให้มันสงบ มันสงบเวลาไหนก็ปล่อยให้มันสงบมันจะเกิดความโลภขึ้นมาเมื่อเมื่อไรเวลาไหนก็ปล่อยให้มันมีความโูภไปอย่าไปฝืนมันถ้าเราอบรมมามันเกิดภูมิความโูภขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วเจตมันกําลังจะปฏิิวัติไปสู่ภูมิเิตภูมิธรรมถ้าเราไปฝืนมันแล้วมันจะเกิดโทษถ้ามันต้องการจะสงบเราฝืนไม่ให้มันสงบมันจะเกิดโรคปวดศีรษะ ทีนี้ถ้ามันอยากจะรู้เราปิดไม่ให้มันรู้มันจะเกิดโรคฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะคุมมาอยู่ปัญหาต่อไปออการบริกรรมภาวนาโดยทั่วไปพูดถึงคำบริกรรมภ า, าวนาโดยทั่วไปไม่ว่าคำไหนทั้งนั้น เป็นแต่เพียงเครื่องล่อให้จิตเข้าไปยึดอยู่ในคำคำนั้นอั่งที่ได้อธิบายฟังแรกในตอนเทศจะเป็นคำพูดคำไหนก็ได้ทีนี้เราจะมาพูดโธพูดโธพูดโธแล้วมาเปลี่ยนเป็นยบหนาพฟองหนอก็แล้วแต่จังหวะเร็วเราอาจจะหาคำอื่นที่เรานึกว่าดีกว่านี้มาว่าก็ได้ขอให้เป็นคำบริกรรมภาวนาก็แล้วกัน ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่เป็นการผิดหรือท่านจะตำหนีว่าเปลี่ยนบ่อยๆนักมันทำให้จิตมันเปลี่ยนความรู้สึกอยู่เลยจิตมันจะไม่สงบถ้าท่านสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เอามันสักอย่างเดียวจะเป็นคำไหนก็ได้ทำอย่างจริงจังโดยปราศจากความสงสัยในกว่าทำบริกรรมนี่เลยจะช่วยให้จิตของเราสงบแล้วก็ว่ากันไปจะเอาพูดโทรพูดโทก็ได้ยกล้อฟองนอก็ได้ทั้งนั้นการหลับตาเพ่งระยะหนึ่ง จิตเห็นดวงไฟสีแดงปรากฏชัดจึงแข่งดูต่อไปแต่แล้วนานๆเข้าดวงไฟสีแดงนี้ก็ค่อยหายไปเมื่อหายไปแล้วเพ่งอีกก็ไม่เห็นดวงไฟที่กลาวนี้อีกเลยอยากทราบว่าที่เห็นดวงไฟสีแดงนี้คืออะไร